หลักการของพระพุทธศาสนาเช่นหลักการขึ้นตัวเองหลักการช่วยตัวเองหรืออีกหลักการหนึ่งที่ว่าอยู่เพื่อความบริสุทธิ์เราอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่เพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่เพื่อความเศร้าหมอง